ดูข้ออุปมาในวิถีจิตทางปัญจทวารต่อนะท่านบอกว่าการอุปมาในนั้นเหมือนกับลักษณะการอุปมาบอกว่าชายคนหนึ่งนอนคุมศีรษะอยู่ในโคนต้นมะม่วงที่กําลังมีผลนี่นะตื่นขึ้นเพราะเสียงของผลมะม่วงร่วงหลอนลงมาใกล้ตัวแล้วก็เลิกผ้าออกจากศีรษะแล้วก็ลืมตาขึ้นใช่ไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ถือผลมะม่วงนั้นมา มาบีบแล้วก็สูดกลิ่นรู้ว่าเป็นมะม่วงสุกจึงชิมดูกลืนกินผลมะม่วงเข้าไปพร้อมด้วยเสมหะนะแล้วก็กลับไปในที่ตามเดิมอีกข้ออุปมานี้ฉันใดลักษณะของการเกิดขึ้นของทางปัญจทวารก็เป็นในลักษณะเช่นนี้อาเป็นอย่างไรท่านบอกว่าพึงเห็นเวลาแห่งพระวังกจิตในขณะที่พระวังกจิตเกิดขึ้นนะเหมือนกับเวลาหลับของชายคนนั้น เขาเรียกว่าเวลาที่จิตตกกระแสผวังเนี่ยเหมือนกับชายคนนั้นนอนหลับหรือบุรุษคนนั้นนอนอยู่ที่ใต้ตจนมะม่วงนั้นนะอุหมาเห็นในลักษณะเช่นนั้นประการที่สองก็คือว่าพึ่งเห็นว่าเวลาอารมมากระทบประสาทเหมือนเวลาที่ผลมะม่วงหล่นลงมาอารมณ์มากระทบประสาทกระทบตอนไหนตอนผวังกัจจรณนะเขาเรียกผวาวงไหวตอนนั้นนะ่ะเขาเรียกว่ารูปารมณ์มากระทบ จักขู่ประสาทสัทธารม์มากระทบโสตประสาทคันธารมกระทบคารณประสาทราัสารม์ประทบชิวหาประสาทโพทธพารมณ์ก็มากระทบกายประสาทในขณะไหนบอกในขณะพวังขจารนะก็แปลว่าอารมณ์นั้นปรากฏแล้วนี่ปรากฏแล้วหนึ่งขณะใช่ไหมปรากฏแล้วหนึ่งขณะล่วงผ่านไปหนึ่งขณะจิตนั่นเองจึงเป็นอติมหันดารมเนี่ยอารมณ์ประเภทนี้นะที่กำลังอธิบายเนี่ยนะ อย่างดิเพราะว่าผ่านไปแล้วหนึ่งขณะแล้วก็กระทบกันกันกบประสาทปรากฏที่ประสาทเขาเรียกว่าพระวังกจลันน า, านี่ยแหละเขาเรียกพระวังไหวตัต้ตาทัดล่าตามไปด้วยนะดูตีตะวงังแล้วก็ดูพระวังกจลันนตอนตีตวังแปลว่าอารมณ์นะ่ะเหมือนกันกับอะไรนะอารมณ์ผ่านมาแล้วแต่พูดถึงไอ้มะม่วงก็คือมะม่วงหล่นลงมาแล้วเห็นไหมหลับมาแล้วแต่มันยังไม่กระทบ ถึงพื้นเนี่าเื้นนั้นยังไม่เข้าถึงประสาทหูยังไม่ได้ยินเลยว่า ง, งั้นเดชายคนนั้นเน่ยเหมือนอย่างนั้นแหละแต่ว่าอารมณ์เน่ยผ่านมาแล้วทีนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นพระวังคจรันะประการต่อมาก็คือว่าไอ้พระวังคู่ประเชทธาเนี่ยตรงเนี้ท่านแม่อธิบายเพราะแท้ที่จริงก็คือเป็นพระวังคจจันะเกิดครั้งที่สองนั่นเองแต่เป็นการเกิดแล้วมันหมดไปก็ เ, เลยเรียกว่าเป็นพระวังคู่ประเชทธท่านจึงมา อธิบายว่าพึ่งเห็นปัญจทวารวชนาจิตเนี่ยเหมือนกับชายคนนั้นตื่นขึ้นเพราะเสียงผลมะม่วงตกใช่ไหมเขาเรียกว่าเวลาที่ผวัาของกิริยามโนธาตุไหวเนี่ยเหมือนเวลาตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วงตกใช่ไหมทีนี้พึงเห็นเวลาที่จักขูวิญญาณเกิดจะเหมือนกับเวลาที่ชายคนนั้นลืมตาขึ้นมองดูเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนชายคนนั้นลืมตาขึ้นมองดูทีนี้พึงเห็นเวลาที่ สัมปติชนะเกิดนะนะหรือเกี่ยวในเรื่องของบอกว่าพึงเห็นบอกว่าสัมปติชนะเกิดนะรับอารมณ์เหมือนเวลาที่ยืนหรือยื่นมือออกไปจับยื่นมือออกไปจับแม้กําลังยื่นมือยื่นมือออกไปจับนั่นแหละแล้วก็พึงเห็นสันติรณจิตเหมือนเวลาที่ชายคนนั้นนะ่ะบีบแล้วม้ยื่นมือไปจับแล้วบีบแล้วจับแล้วบีบดูแล้วบีบดู แล้วพึงเห็นโวทัพณะจิตเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกับเวลาที่ชายคนนั้นสูดกลิ่นผลมะม่วงสูดกลิ่นนะถ้าหากว่าโวทพัพณกิจนี่แปลว่าเกิดขึ้นมาเพื่อเหมือนเวลาสูดดมแล้วหรือเวลาที่ชวนะจิตเกิดขึ้นมานั้นก็บอกพึงเห็นเวลาที่ชวนะจิตเกิดนั้นเหมือนกันกับเวลาที่ชายคนนั้นบริโภคผลมะม่วงก็แปลเหมือนกับเวลาที่บริโภค พึงเห็นที่แตถารดำนัจิตเกิดเนะ่ยเหมือนกับเวลาที่ชายคนนั้นกลืนกินผลมะม่วงที่อยู่เข้าปากไปพร้อมกันกับเสมหะเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าหาพิจารณาหรือว่าพึงเห็นเวลาที่พระวังกจิตเกิดใหม่เหมือนกับชายคนนั้นนอนหลับต่อไปเนีถ้าหาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะเขบอกว่าการกระทบปศาสตรเท่านั้นนะเป็นหน้าที่ของอารมณ์ฉะนั้นการกระทบปศาสตร์ที่เป็นหน้าที่ของอารมณ์ใ น, นกระทบ เข้าใจไหมว่าอารมณ์อะไรมากระทบรู้ปารมณ์เท่านั้นมีหน้าที่กระทบจักขุป萨สสัทธารมณ์เท่านั้นมีหน้าที่กระทบโสตประสาทคันธารมณ์ก็มีหน้าที่กระทบคารณะประสาทรัสารมณ์ก็มีหน้าที่กระทบชิวหาประสาทโพธารมณ์ก็มีหน้าที่กระทบกายประสาทใช่ไหมเขามีหน้าที่กระทบอารมณ์เท่านั้นการค้นคว้าอารมณ์การเอาใจใส่นั่นแหลเป็นหน้าที่ของปัญจทวารวัชนาจิต ชั้นการค้นคว้าการเอาใจใส่ในทํานองอย่างนั้นตัวอาวชนะเป็นหน้าที่ของปัญจ ท, ทวารวชนาจิตใช่ไหมทีนี้จกักขูวิญญาณเท่านั้นน่ะทำหน้าที่ในการเห็นก็จักขูวิญญาณเท่านั้นเป็นหน้าที่ของการเห็นเน่นะเป็นหน้าที่ของจกักขูวิญญาณถ้าเสัมปติชนากิจะการรับอารมณ์เป็นต้นอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของสัมปติชนะจิตเป็นต้น การไต่สวนอารมณ์ก็เป็นหน้าที่ของสันติรณกิจการตัดสินอารมณ์ก็เป็นหน้าที่ของอุศทพนากิจการเสวยอารมณ์ก็เป็นหน้าที่ของชาวนากิจอย่างเดียวการรับอารมณ์ต่อจากชาวนาหรือก็ีกการเสวยอารมณ์ที่ชาวนะนั้นเสวยแล้วเป็นหน้าที่ของตถาธรมณะก้เรียกอย่างนั้นก็ได้คือประเภทที่ว่าอารมณ์เนี้ยชาวนะเคี้ยวกินแล้วส่วนเหลือนั่นแหละตถาธรรมณะก็กินต่อ เป็นหน้าที่ของตถาลัมนะลักษณะของการแสดงแบบนี้ท่านแสดงแบบว่าการไม่ค้าเข้ากันเนะีการไม่ค้าเคข้ากันทีนี้ว่าจิตที่เป็นไปให้เข้าใจก็คือว่าถามว่าที่เขาเป็นไปแบบเนี้ยบอกเอออันนี้เป็นพระวังนะเป็นอตีต่าพระวังพระวังขจะะรานะพระวังคู่ปชิเฉยทาปัญเจทวารละวชนะ ปัญจวิญญาณสัมปติสันติวธฏทปนาชฉนตะตถารมนะแล้วก็ลงผวังเนี่ยใครเป็นคนจัดแจงอ่ะใครเป็นคนจัดแจงถึงเป็นอย่างนี้เรื่เราจะตอบอยังไงโอ้ยเนี่ยใครเนอเป็นคนจัดแจงวิถีจิตที่ให้เป็นไปแบบนี้มาบ่อยใครใครเป็นคนจัดแจงเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้เราจะจัดยังไงใครเป็นคนจัดแจงได้ครับทําให้จิตเป็นแบบนี้นะเรื่หรือใครอยู่เบื้องหลังอ่ะ ใครอยู่เบื้องหลังในการที่มาจัดสรรโนจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเกิดอย่างนั้นจะต้องเกิดอย่างนี้ไม่ใครเน้เป็นคนจัดแจงกันไมไ้ไปมอง <c oughs> เขาบอกเข้าใจครับว่าพีใช้นิยามก็อุตูนิยามไอ้ไหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยใครเป็นคนจัดแจงอากาศร้อนอากาศหนาวเนี่ยใครเป็นคนจัดแจงหรือว่า ต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะที่มันจะต้องเป็นเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เนี่ยไอ้ทำไมใครเป็นคนจัดแจงไอ้ดอกทานตะวันเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ต้องคล้อยตามดอกไอ้ต้นไมย่าลาวทั้งหลายเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะต้องหลับอะไรเงมันจะต้องลาบลงหรืออะไรไปโดนมันก็จะต้องลาบถามว่าใครเป็นคนจัดแจงหรือลักษณะของต้นไม้ที่มันจะต้องมีหนามอย่างนั้นไปไปมาบางคนไปบอ ก, บอกมีพระเจ้า ยุ่งเลยตรงนี้เป็นจิตตนิยามนะครับความความคำว่าเป็นจิตตนิยามก็คือความเป็นไปเช่นนั้นของจิตของเขาเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยของเขามีนะเด็กเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆไปจิตทั้งหมดนะรวมเป็นหนึ่งหมายความว่ารู้อารมณ์เท่านั้นแต่ก็มีกิตต่างๆกันออกไปนะนะนะนะก็เป็นไปโดยฐานะเป็นอนัตตาไหมบอกโดยความเป็นอนัตตาเนะทีนี้ ไม่ก้าวกายซึ่งการละการเช่ น, ร, นรูปารม์ก็มีหน้าที่กระทบประสาทถามว่าเอ๊าถา ม, าถามาเมื่อกี้บอกพระวังขกิดเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรนะเมื่อกี้พวังมามาเปียบเหมือนกับอะไรถ้าอุปมาเหมือนชายนอนหลับอยู่อะไรนะยอยู่ใต้ต้นมะม่วงมีไหมรูปารมที่มากระทบประสาทเนี่ยเหมือนกับอะไรรูปารม์ที่มากระทบประสาทเหมือนอะไรเหมือนผลมะม่วงตกลงมาทีนี้อาวชนะจิตเกิดน่ยเหมือนกับอะไร เหมือนชายคนนั้นนตื่นขึ้นมาเหมือนชายคนนั้นนตื่นขึ้นมาลองไล่ไปตามลําดับดูในลักษณะเช่นเนี้ยก็เจอทีนี้ลักษณะของการที่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วชายคนนั้นทําอะไรมองดู<ม>การดูนะเหมือนกับอะไร<ม>เหมือนกับจักรกุญญ์เห็นใช่ไหมแล้วก็การที่ไปจับเหมือนอะไรเหมือนสัมประเจตชนะ<ม>กระ บ, บีบะ่อลไรเหมือนอะไร ถ้าวธพนะนี่เหมือนอะไรกำลังยะกินแล้วถ้าชาวนาก็หมายถึงการเคี้ยวกินเลยถ้าตาทามหน้าก็หมายถึงการกลืนลงไปแล้วพร้อมต้องเสียมหะใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นก็จะเห็นทางปัญจทวารเป็นอย่างดีท่บนบันี่คือการ ท, ทางท่านอาจารย์ท่าน อ, าาานอธิบายเข้าไว้ก็เป็นเรื่องดี ท้ามอาศัยอาจารย์ที่ก็เรียนลําบากกันเมือเกันเมื่อทที่มองไม่เห็นมันจะเป็นยังไงใช่ไหมก็ต้องอาศัยท่านช่วยช่วยขยายความให้ ก, ก็ก็รู้สึกจะพอมองเห็นลําไรลําไรบ้างเลยถ้าไม่ได้ข้อบรมมาลักษณะเช่นนี้ก็บางครั้งก็มองไม่เห็นนี่ลักษณะอย่างนั้นคือความสัมพันธ์กันนี่จิตที่เกิดขึ้นสิบเจ็ดขณะนี้ย่อมสมบูรณ์นะย่อมสมบูรณ์นี่ลักษณะการเกิดขึ้นของเขาเกิด กางนั้นถามบอกว่าถ้าอาติมหันตารมวิถีเนี่ยลักษณะของการทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือดังที่ได้กล่าวบอกว่า อ, าอาติมัน อ, อ, อติอติตาพระวังพระวังกัจจารนะพระวังคผู้ปเชยทปัญญาถวารวชนะทวิปัญญา ญ, ญญาณสัมปติสันติโวตทุปนาชาวนะแล้วก็ตถาลามนะลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นกี่ขนาดจิตเนี่ยสิขนาดใหญ่แล้วก็ ห้าบอ็ดขณะเล็กเพราะแต่ละแต่ละดวงก็มีสามขนาดก็เรียกอนุขณะคือขณะเล็กเนะอุปาทักษ์ขนาดทิฏฐิขนาดแล้วก็พังค์คะขนาแต่ถ้าหากว่านับเป็นเขาว่าจิตมีจิตตะขณะมีจํานวนมากเหลือนี่เขานับเป็นเจ็ดอย่างถ้าเจ็อย่างก็คือนับยังไงปัญจทวารเราชนะใช่ไหมก็นับหนึ่งวันแล้วก็ปัญจวิญญาณสองสัมปติ สมสันตสี่โวตห้าชาวนะหกแล้วก็ตารรมนะนะับเป็นเจ็ดนี้เขาเรียกนะับเป็นเจ็ดอย่างถ้าเจ็ดอย่างถ้าเป็นขนาเล็กนับยังไงสิบสี่ขนาหรือสิบเจ็ดขนานับยังไงอะที่จริงถ้านับเอาอารมณ์มาวัดด้วยก็คือสิบเจ็ดขนาใหญ่ใช่ไมสิบเจ็ดขนาดใหญ่ห้าสิบเอ็ดขนาเล็กแล้วถ้านับเป็น ถ้านับเป็นองค์ธรรมปรมัตท์ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่วิถีจิตที่เกิดในนี้ทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบการมจิตสี่สิบหกนะหรือการมจิตห้าสิบสี่ได้ทั้งหมดไหมเจตสิกห้าสิบสองก็นั่นแหละคือการเกิดขึ้นของเขาเป็นอย่างนี้นก็ก็ไปตรวจสอบดู คือคืออย่างนี้นะคือจะไป น, นับแค่นั้นมันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าบอกว่าอาติมหันตารมวิถีเนี่ยมา น, นับแค่ปัญจทวารแลวชนะเป็นต้นไปใช่ไหมเพราะมีวิถีจิตเจ็ดอย่างยังไม่ถูกไม่ถูกแต่ว่ามันต้องมีข้อแม้อีกแหละข้อแม้ก็คือบอกว่าเอาถ้าอาติมหันตารมเนี่ยต้องไปดูที่อตีถรวังหนึ่งขณะด้วยต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะใช่ไหม ถ้าหากผ่านมาสองขณะไม่เรียกว่าอาติมหันตารมณ์แล้วต้องดูด้วยฉะนั้นจึงต้องดูทั้งวิถีเลยนะเพราะว่าอาติมหันตารมณก็แปลว่าอารมณ์ของวิถีจิตนันแหะ อ๋อาา ก, ก็เข้าใจแต่ที่ยกตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าตีมหันตารมก็แปลว่าอารมณ์ที่มีจิตตะขนักจานวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวาร น, นับตั้งแต่กา ร, น, การนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารไม่ใช่ปัญจทวารอยู่ตรงไหนนี่ ป, นปรกากฏที่ภวัง พวังก็เจริหน้ามันเลยพอเลยหนึ่งขนาดน่ยเขานับแล้วนับเป็นอติมหันตารมแล้วเฉะนั้นอติมหันตารมต้องนับอย่างนั้น น, นี่คืออติมหันตารมก็ใช่เพราะอติมหันตารมก็หมายถึงปัญจรมที่มีวิถีจิตเกิดได้มากที่สุดจนครบเจ็ดอย่างคืออย่างนี้ไม่ใช่าานี่ไม่เข้าใจเขาเรียกวิถีจิตตรงไหนนั้นมันวิถีมุตเจตใช่เอามันปรากฏ การปัญจทวารตรงนั้นจึงจะสามารถทําให้กับวิถีจิตเจ็ดอย่างเกิดได้ถ้ามันไม่ไม่ผ่านหนึ่งขณะแล้วปรากฏในทวารมันจะไม่สามารถทําให้วิถีจิตเกิดได้ครบเจ็ดอย่างจึงจะเขาก็จะไม่เรียกว่าอธิมหันตารมณ์แล้วมองเห็นไว้ตรงเนี้อายกตัวอย่างเช่นถ้าหากอารมณ์นั้นอ่าผ่านมาสองขณะจึงปรากฏในทวาร ถ้าอย่างนี้วิถีจิตจะเกิดไม่ครบเจ็ดอย่างแล้วจะได้แค่หกอย่างก็เลยกลายเป็นมหันตารมณ์ไปถึงบอกว่าใช่ไหมที่ถามตรงนั้นน่ะใช่ทาไมไม่ใช่ล่ะแต่อย่าดูแค่ตรงนั้นทีนี้ถึงบอกว่าไงบอกว่าปัญจารมที่มีมวิถีจิตเกิดได้มากที่สุดครบเจ็ดอย่างใช่ไหมหรืออีกอย่างที่บอกอารมณ์ที่ขนาดจิตเกิดได้มากที่สุดนับตั้งแต่การการับอารมณ์เป็นต้นมา ม, มันก็ต้องดูตรงนั้นทีนี้ก็ต้องบอกอกว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางปันจัวาานั้นจะเรียกอติมหันตารมมหันตารมปริตารมณ์เลือติปริตอารมณ์ก็ตามเมื่อสรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้วอยู่ตรงไหนก็สรุปแลอารมณ์แรงมากที่สุดแรงมากแล้วก็แรงน้อยแล้วก็น้อยที่สุดก็เรียกชื่อตามกันไปใช่ไหมทีนี้ถามอกว่าถ้าอติมหันตารมณ์่ะมีขนาดจิตเกิดได้มากที่สุด มากคืออะไรคืออารมณ์เนี้ยเมื่อจะเกิดขึ้นแล้วก็เพียงหนึ่งขนาดใหญ่ของจิตก็แปลว่าผ่านขนาดจิตใหญ่ของจิตก็เริ่มเริ่มมากระทบหรือปรากฏแล้วปรากฏในไหนปรากฏในปัญจทวารเลยนี่ปรากฏในจกักุทวารเลยเพราะเกิดขึ้นมาหนึ่งขนาดพอผ่านมาหนึ่งขนาดจิตใหญ่เท่านั้นสังเกตเป็นอตีตวังดันทีเลยเพราะรู้อารมณ์เกิดทนันกันก็คืออุปาทขศนาเนี่ย เหมือนอย่างนั้นนะว่างั้นพอผ่านเข้ามาหนึ่งขนาดจิตของใหญ่หนึ่งขนาดจิตเนี่ย mm hmm. เขาเรียกมหาขนาดไหมไม่ใช่อนุขณะดถ้าอนุนก็อุปาทะทิติพังค้าไม่ใช่ผ่านมาหนึ่งขนาดใหญ่เลยแล้วก็ปรากฏปรากฏในไหนในปันจัตวาในทวารเลยแล้วก็จะยืนเออหมายความว่าจะยืนเนี่ยต่อมาเขาจะตั้งอยู่เป็นทิฏฐิปต่างของเขาแล้วใช่ไหมรูปา ร, รมณ์นั้นอะ่ะเออให้สังเกตอย่างนี้นะ mm hmm. ถามว่าพอผ่านมาหนึ่งขนาเนี่ยเพราขนาดที่เขายืนแล้วใช่ไหมเนี่ยรมนี่เขาจะยืนเพื่อจะเป็นปัจจัยให้จิตรู้ยืนขึ้นเพื่อจะเป็นปัจจัยให้จิตรู้แล้วใช่ไหมในขณะที่เขาผ่านมาหนึ่งขนาดเขาก็จะยืนต่อไปก็จะเป็นปัจัเขาจะยืนเป็นปัจจัยคือยืนยืนให้จิตรู้ต่อไปแต่มาถึงตรงนี้เขาแปลว่าเ็าปรากฏแล้วผ่านมาหนึ่งขนาดเาปรากฏทันที ถ้าหากว่าจีหมันตาลรลมบอกว่าเอานับตรงนี้เป็นประมาณการกรับทันอก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแน้วเนี่ยแค่ตรงนี้มันจะต้องตามไปดูนหน่อยว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นปัจจัยให้กับปัญจทวารราชนะาหนึ่งก็ผ่านมากี่ขนาจิตถึงปรากฏในทวารลนะ่ะถ้าผ่านมาหนึ่งขนาดจิตแล้วปรากฏเลยนี่ชัดแล้วใช่แล้วเพราะอารมณ์นี้แรงแน่นอนแบบเนี้ยประเภทที่ไม่มัวให้เสียเวลาอะไรไปมากอนะ่ะไม่ยอไม่ยอมไ ม, ม่เสียหายไปเยอะ เกิดขึ้นมาก็ปรากฏทันทีอย่นัเดแต่ด้วยความเร็วของรูปมันน้อยกว่าความเร็วของจิตใช่ไหมจิตมันเกิดเร็วนี่รูปก็ช้าหน่อยการเกิดขึ้นปรากฏของเขาเพอผ่านมาหนึ่งขนาดจิตใหญ่ก็ปรากฏถรูปอารมณ์ก็รูปอารมณ์จากปรากฏใ้จักรภู菩萨สัทธารล์คันธารลมละสารลมโพธพารลมก็คือใช้คําว่าประสาทไปเลยปรากฏในภาษาทั้งห้าเลยอย่างใดอย่างหนึ่ง พอปรากฏเป็นพระวังก็จะไรนะใช่ไหมเข <_ S 1> าเรียกพระวังไหวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปไปทำความเข้าใจว่ไหวเขาไหวยังไงพวังไห ว, วไหวเพราะอํานาจของปัญจารมที่มากระทบกันกับประสาทเท่านั้นก็จะอย่างพูดเมื่อเพืครู่เหมือนนกจากกิ่งมาไม่ต้องไปจับหรอกใช่ อ, อาการาเป๊ะคือคืออย่างนี้ในที่นี้ถามว่าในที่นี้เราเรียนวิถีจิตหรือเรียนวิถีมุตจิต <ม>เรียนวิิถีจตัมามา้นในขณะที่เขาปรากฏทางพระวังคจรารนะนั้นเนี่ยที่เขากระทบกับทางประสาทนั้นน่ะเขแปลว่าเขาเสียไปหนึ่งขนาดจิตใหญ่เท่านั้นเองต่อมาก็เป็นพระวังคจรารนะอากุปเชท ะ, ะปัญจทวารวชนะก็ทําหน้าที่ตัดกระแสรพระวังก็ดังที่ได้อุปมาในรายละเอียดตรงนั้นนี่<ม>ทีนี้ดังพอมาเทียบตรงเนี้ก็บอกว่าเออทำไปดูดูตรงนี้ก่อน อายุเนี่ ย, ยอายุของจิตคือนามเนี่ยอุปาทถีติและพังค่ารวมสามขนาดนี่เขาเรียกว่าขนาดเล็กเป็นหนึ่งขนาดใหญ่ที่เขาเรียกมหาขนาดเนี่ยส่วนอายุของรูปเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดขนาใหญ่ห้าสิบเอ็ดขนาเล็กเนี่ยนะที่ไอสรสามคูนสิบเจ็ดเท่กับห้าสิบเอ็ดเนี่ ย, เ, ยเป็นอายุของรูปประธรรมใช่ไหมอายุของรูปประธรรมยี่สิบสองรูปเว้นวินยติรูปแล้วก็ละขนาดรูปสี่คือตรงเนี้ยถามว่า วิทยารูปเนี่ยนะรูปอารมณ์เป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาไม่ใช่เป็นวิญญาติรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นลักขณะรูปสี่นี่ของเขาเป็นรูปอารมณ์ศัทธารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้อารมณ์ต่างๆเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเขาจะต้องตั้งการเกิดขึ้นของเขาเนี่ยขณะหนึ่งแล้วการตั้งอยู่ของเขานั้นเท่ากันกับห้าห้าสิบเอ็ดใช่ไหม เขาเรียกอ น, นุขนาแท้จริงคือสี่สิบเก้าขนาดมไปถ้าจะนับเนีก็แปลว่าขนาดเกิดหนึ่งขนาดดับอีกหนึ่งถาลายตะการตั่นดับนเนี่ยเจ็ดดวงหนึ่งมันสามขนาดใช่ไหมนี่คือคนะสามอย่างนี้ใช่ไหมอุปาทา้าผีสีและกระพังทะถ้าขนาดตั้งก็เป็นถ้ามาเมียก็ามาตัวนี้ใช่ไหมถ้านับขนาดของเขาตรงนี้เท่าไหร่ สีใช่ไหมนี่ขนาดหนึ่งใช่ไหมนี่คืดับใช่ไหมนี่คือขนาเกิดนี่ขณะเกิ ด, ข น, กด 1, ขนาดเกิดหนึ่งขนาดดับหนึ่งตั้งอยู่4ี่บเขนานั่นคือขนาของการตั้งนั่นแหละคือการที่ปัญจารม์นั้นยืนตั้งอยู่ยืนอยู่เพื่อให้จิตเข้าไปรู้เพื่อให้จิตเข้าไปรู้ใช่ไหมต่อมาจิตก็เลยทํากิตในการที่ไหว ก็แปลว่าอารมณ์นั้นเข้าสู่คลองของทวารแล้วจากคูทวารเป็นต้นแล้วก็ผวังคู่ปเปเชธาก็แปลผวังไหวเป็นครั้งสุดท้ายในเองเลยเรียกว่าผวังคู่ปเปเชธาปัญจจะทวารละวชนะนั้นก็ทํากิจ2 อ, อย่างทําหน้าที่อาวชนะด้วยแล้วก็ตัดกระแสผวังด้วยแล้วก็ดับลงไปดังที่ได้อธิบายแล้วก็ปัญจจะากคุ ญ, ญาญเป็นต้นก็ครับเป็นทําหน้าที่ในการเห็นสัมปติรับสันตีไต่สวนโวอดทวนาก็ทํากิจในการตัด สินนามลมเดี๋ยวจะไปอธิบายทีในรายละเอียดนะนะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ไปดูเรื่องขนาดชาวนาเสพแตทารมนาก็รับอารมณ์ต่อแต่ให้รู้ว่าเนี่ยเขามีอายุอายุของการตั้งขเขาสี่สขนานะ49เขนาทีนี้คําว่าขณะเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรก็ต้องบอกว่าคําว่าขนาดเนี่ยช่วระยะเวลาที่เล็กน้อยที่สุดท้ายอะไรเปรียบเทียบไม่ได้ว่าไงหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยขณะขนาดคำเนี้ย ในขณะทั้งสามนั้นมีความแตกต่างกันตรงที่ถีติขนาดของน้ำที่มีหนึ่งขนาดส่วนถีติขนาดของรูปมีสี่สิบเก้าขณะเลยมองต่างกันไหมถ้าถีติของนา้ำนี่มันคือขนาดจิตเท่านั้นแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นนี้อุปาท t h ีติก็หนึ่งขนาดเล น, นิดเดียวแล้วก็แผงท้าไปเลยแต่ถ้าถีติขนาดของรูปดูสิเนี่ยสี่สิบเก้า นั่นแหะคือความต่าง49ขนาดนั่นเองเป็นถีติขณะของรูปส่วนอุปาทัขณะแล้วก็พังคขนาดนั้นมีความเท่ากันเห็นไหมเท่ากันทีนี้คําว่าอนุขนาดก็คืออุปาทขนาดถีติขนาพังค์คขนาดส่วนมหาขนาดคือขนาดใหญ่ก็คือรวมสขนาดนั้นรวมเป็น1ขนาดใช่ไหมีขณะในลักษณะเช่นนั้นก็บอกว่าน้ำเกิดครั้งหนึ่งว่าไงนะเกิดดับน้ำเกิดดับ ดีด ด, ดนิ้วมือครัง้งหนึ่งก็มากกว่าหนึ่งแสนโกรธครัง้งนามเกิดดับแสนโกรธครัง้งแสนโกรธครั้งนีง่เลขหนึ่งนาหน้าก็ต่อด้วยเลขศูนย์ได้สิบสองครั้งเลยรูปเกิดดับมากกว่าห้าพันโกรธครั้งอันนั้นเรไม่รู้เขียนยังไงคือ ว, วิตถุประสงค์คือต้องการให้ทราบว่าวิธีจิตเกิดดับเร็วมากวิธีวิธีธตอบตรงนี้นี่เป็นประเด็นต่อไปก็คือว่าเอ๊ะทําไมวิญยัณติรูปเนี่ย กายวินญยัตวจีวิญญตัตแล้วก็ลักณะรูปสี่เนี่ยไม่มีอายุถึง17ขณะของจิตฮะกายวิญยัตวจีวิญญตัตเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่แบบนี้นะกายวิญยัตวจีวิญยัตเนี่ยเออถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดดีนะเรื่องกายวิญยัตวจีวิญยัตเนี่ยเขาบอกว่ารักไอวิญญตัตที่รูปนี่เกิดพร้อมนั้นกันกบจิตและดับพร้อมไหม จิตตาซาพุโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับกับจิตวิญญาติรูปสองจิตตานุปริวัติโนธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามกระแสจิตอ่าเรวิญญาติรูปสองกายวิญญาตและวจีวิญญาตแท้จริงกายวิญญาตวจีวิญญาตเนี่ยมันเป็นทวาร น, นะจัดว่าเป็นวจีทวารแล้วก็เป็นกายทวารของเช่นในขณะที่จะพูดเนี่ย ว่กายวิญญาไอว่าจีวิญญาณนี่แหละเป็นช่องทางแห่งการที่จะกล่าวกรรมที่จะกล่าวกุศลกรรมกอกุศลกรรมเป็นไหมวิญญาณเทลุเป็นไหมตรงเนี้ยเ น, นี่ยให้สังเกตอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราเราดำริในการที่จะจะเดินเนี่ยเออในการที่จะพูดก็ได้ในการจะเดินก็ได้เอาจะเดินนะตอนนี้นะพอจิตคิดจะเดินใช่ไหมมโนทวารเราชนะจิต แต่ว่าที่นับกันแน่ๆเลยในขณะที่ชวนะที่เกิดขึ้นมาเนชวนาจะมีอุปาทัศณาถีติขณะและก็พังทัศณาที่อุปาทัศณาของชวนะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตาหนิในการที่จะก้าวเท้าเดินเนี่ยอุปาทัศนานั้นก็ยันจิตเจตรูปนั้ให้เป็นไปแต่จิตเจตรูปสิจิตที่เป็นไปใ น, ในอุปาทัศณาของชาวนะดวงที่หนึ่งนั้นน่ยอาการเดินยังไม่สามารถสำฤทธิ์ผลได้ เพราะปริมาณของจิตรชรูปนั้นก็ไม่เพียงพอปริมาณของวายโยธาที่แผ่ซ้ทซากไปในสีละนั้นน่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะยกส리ละกล่าวคือขาเป็นต้นและสีละที่มันหนักเนี่ยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ทีนี้การดํำลินั้นน่ยต้องชาวนาเกิดขึ้นมาตามลําดับแม้ครั้งที่ชาวนาดวงที่สองดวงที่3าดวงที่4ี่ก็เจอปิด เจตเชโรบนั้นให้มีปริมาณหนาแน่นมากขึ้นวาโยธาตก็แผ่ตั้งขึ้นทุกครั้งในขณะที่จิต ด, ดําริและคิดขึ้นจนมาถึงชาวนาดวงที่เจ็ความดําริในการที่จะข้าวเท้าเดินนั้นจึงสําเร็จผลได้เท้านั้นก็ก้าวออกไปนําสตรีล้านั้นให้ก้าวเดินไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่คิดหรือดำริที่จะก้าวเดินไปนั้นอุปมาเหมือน ก, นกันกับว่าเวียนนั่นเอง ในการที่ว่ารถมา้ารถม้าหรือวัวเนี่ยนะที่ที่จะสามารถลากเวียนให้จะเดินทางไปที่ต่ตางๆได้นั้นน่ะเวียนนั้นน่ะต้องอาศัยโคเกตคู่ในขณะที่กระตุกคู่แรกก็ยังไม่สามารถที่จะพาเวียนนั้นให้เคลื่อนที่ได้อเพราะกระตุกคู่ที่สองก็ยัง คู่ที่3มก็ยังคู่ที่4คู่ที่5คู่ที่6ก็ยังพอกระตุกคู่ที่เ็ดสุดท้ายเนี่ยให้ก้าวเท้าเดินเวียนนั้นก็เคลื่อนหมุนไปได้ชั้นใดลักษณะของวิถีจิตก็เป็นอย่างนั้นนะลักษณะของวิถีจิตก็เป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นการที่จิตดำริหรือคิดขึ้นมาเนี่ยในการที่จะทําตรีละกล่าวคือมือหรือเท้าเป็นต้นให้ขยับขย่อนเคลื่อนไหวไปได้ ที่เรียกว่าเป็นกายยวินยัตเนี่ยนะต้องอาศัยการรวมพลังกันของชาวนะดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและโดยเฉพาะต้องมีชาวนะดวงที่เจ็ดเป็นตัวเป็นตัวกระตกเป็นครั้งสุดท้ายถึงจะนำพาสรีระก่าวคือร่างกายนั้นให้มีการเคลื่อนไหวไปได้นี่ต้องเป็นไปในลักษณะเช่นนี้เนีนี่เรียกว่าวิถีจิตแล้วเกิดขึ้นมา เขาผลักดันทำให้วาโยธาในกลุ่มของจิตตชรูปเนี่ยทำให้สรีระนั้นเป็นไปแต่ว่าไม่ใช่โชนะเพียงดวงเดียวกลุ่มเดียวนะเนี่ยต้องมากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะผลักดันทาให้สรีระคือร่างกายนั้นมีการขยับขยื่นและเคลื่อนไหวได้มีเป็นอย่างนี้นะนี่คือวิธีจิต ทนการดําริในการที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยกระพริบตาอาปากเป็นต้นล้วนแต่ต้องอาศัยโชวหน้าเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ทีนี้ว่าจิตที่คิดอันนั้นก็อยู่ที่อัธยาศัยของผู้คิดว่าสังผัสในการที่จะคิดในการเดินด้วยจิตอะไรเป็นส่วนมากนั่งด้วยจิตอะไรยืนด้วยจิตอะไรแล้วก็นอนด้วยจิตอะไรบางกลุ่มก็คือว่า ในกลุ่มของใช้โลภะที่เป็นดวงแรกดวงที่สองดวงสามดวงสี่ดวงห้าหกหรือ7็ดหรือ8ดก็แล้วแต่อัธยาศัยของบุคคลนั้นหรือใช้โทรศัหรือใช้โมหะหรือว่าใช้มหากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ในกลุ่มของผู้ดุชนก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของทาวารทางตาก็เหมือนกันบางจุดก็คือว่าทางจักขุทวาร หรือบางทีก็ทางโสตทวารคณะทาวารชิวหาทวารกายทวารเนี่ยก็ล้วนจะเป็นเหตุเป็นปจยยัจจัยแห่งการขยับขยื่อนเคลื่อนไหวอวัยวะได้หมดเลยใช่ไมเดีย๋ยวนั้นเขาเรียกว่าปัจจัยข้างนอกนะปัจจัยข้างนอกเช่นว่าเห็นรูปารมณ์แล้วก็มีการที่จะเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อไปหารูปารมณ์นั้นอย่างนี้บางครั้งก็เสียงเป็นปัจจัยทําให้ยืนเดินนั่งนอนกลิ่นเป็นปจัจจัยยืนเดินนั่งนอน รถเป็นปัจจัยยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นอันนั้นคือปัจจัยที่ทมองตรงนี้เขาเรียกมองว่าอารามนาปัจจัยเนี่อารามนาปัจจัยให้กับวิถีจิตเป็นอารมณ์ให้กับวิถีจิตเมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นมาแล้ววิถีจิตไม่ใช่เกิดแค่นั้นถามว่าจิตมีอะไรเป็นปัจจัยบอกมีอารมณ์และอัธยาศัยของตนเองของผู้นั้นในการที่จะก้าวจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนี่คือทางกายยัถวานนี่ ก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ถ้าทางวจีทวานละ่ะเดี๋ยวในเรื่องการเต่งคำพูดขึ้นมาอย่างเหมือนว่าจีวิญญาณเนี่ยถ้าวจีวิญญาณก็ในลักษณะเช่นนี้เช่นว่าจะยกริมฝีปากขึ้นลงเนี่ยจะยกปากขึ้นและลงเนี่ยจะต้องอาศัยโวนะครบนี้ไหมจะต้องอาศัยจิตตะทรูปพบในโฉนหาที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนั้นไม่สามารถที่จะยกขยับปาก หรือว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ของการพูดการกล่าวได้แต่จิตที่คิดจะยกนั่นเน่ยจะขยับเพย์เล่นที่สมมติเรียกกันว่าปากเนี่ยไอ้จิตที่คิดนั้นน่ยไม่เหมือนกันนะบางทีก็คิดได้โลภะยังไงบางครั้งก็ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลังของการขยับปากนั้นคือโลภะอยู่เบื้องหลังก็มีโทสะอยู่เบื้องหลังก็มีโมหะอยู่เบื้องหลังก็มีว่างั้นเถอะแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่านี้ การเมือชาวนา20การมืชาวนา29